นิทานไทยเจ้าหญิงฮาเซเนิ่นนานมาแล้วในญี่ปุ่นยุคโบราณยังมีเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงนามว่าเจ้าชายโทโยนาริฟูจิวาระกับภรรยาของเขาเจ้าหญิงมูรสากิและลูกสาวที่งดกามของเขานามว่าเจ้าหญิงฮาเซ่ฮิเมะพวกเขาเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่างแท้จริงจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าหญิงมูรสากิได้ล้มป่วยลง เธอรู้ว่าเธอจะอยู่ได้อีกไม่นานเธอจึงเรียกลูกสาวของเธอฮาเซฮิเมะซึ่งตอนนั้นอายุได้เพียงห้าขวบเพื่อเข้าพบตอนนั้นฮาเซยังไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็เชื่อฟังพ่อแม่และมีความเห็นอกเห็นใจอย่างมากท่านแม่ลูกรักถึงเวลาที่แม่ต้องไปแล้วละ่ะแม่จะไปไหนละ่ะเพคะไปยังอีกโลกหนึ่งจ้ะ ไม่มีหนทางอื่นแล้วแม่ต้องไปเมื่อแม่จากไปแล้วลูกต้องกล้าหาญให้มากนะเข้าใจไหมไม่ต้องร้องฝากดูแลท่านพ่อแทนแม่ด้วยนะได้ไปค่ะท่านแม่ฮาเซฮิเมจงเป็นคนที่ชาญฉลาดเครพผู้อาวุโสและเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่มีอายุน้อยกว่าอยู่เสมอปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความรักและความเคารพจงขอบคุณทุกสิ่งดีๆในชีวิต และอดทนต่อสิ่งไม่ดีแม้บางครั้งมันจะยากลำบากแต่ลูกรักลูกไม่รู้หรักว่าแม้พลังเหล่านี้จะเรียบง่ายแต่พวกมันสามารถช่วยให้ลูกผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ในชีวิตแพค้าท่านแม่และสุดท้ายนี้เมื่อแม่จากไปพ่อของเจ้าจะต้องแต่งงานอีกครั้งปฏิบัติกับภรรยาใหม่ของเขาเช่นเดียวกับแม่และมอบความรักและความแม่ตาเช่นเดียวกันที่ลูกมอบกับแม่ เขาจะทำอย่างที่ท่านแม่พูดเพคะและมุระส ก, กิผู้สูงส่งก็สิ้นลมไปไม่กี่ปีผ่านไปเจ้าชายโทโยนาริก็ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงเทรุเตเทรุเตไม่มีความฉลาดและความเมตตาใดที่เหมือนเจ้าหญิงมูระส ก, กิเลยนางร้ายกาจและขี้อิจฉาเป็นอย่างมากเมื่อไรก็ตามที่นางเห็นฮาเซฮิเมจิตใจของนางจะมอดไหม้ด้วยความอิจฉา และคอยตือตัวเองอยู่เสมอว่านางไม่ใช่ลูกสาวของค่าข้าไม่มีวันรักนางท่านแม่ดูสิท่านอาจารย์สอนอะไรค่ะฟาบาดนางมีความเชี่ยวชาญในการเล่นโคโตมากลูกสาวของท่านต้องทำให้ท่านพูมใจได้แน่นอนอนางไม่ใช่ลูกสาวค่าท่านแม่ข้าเขียนบทกวีด้วยนะให้ข้าอ่านให้ท่านฟังไหม อย่าบักิดข้านะฮาหินะข้าไม่มีเวลาให้กับบดกวีง่โง่นี่หรอกนะไปกไกลเลยไปเจ้าเห็นของหม่อมฉันท่านไม่เสียใจเลยเหรอที่นางทำกับท่านอย่างนี้บางครั้งข้าก็เสียใจนะแต่เวลาที่ข้าเสียใจข้าจะคิดถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตและเดา ว, ว่าจะมีอะไรอีกมันจะทำให้ข้ารู้สึกดีขึ้นอีกครั้งท่านแม่พูดถูก ความรักความเคารพความกระตันยูและการอดทนทําให้พวกเรามีพลังที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตฮาเซฮิเมะไม่เคยล้มเลิกที่จะแสดงความเคารพต่อเทรุเตะเลยไม่นานฮาเซฮิเมะก็เติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่ฉันฉลาดและเตี่ยไปด้วยปัญญ า, าเธอร่ำเรียนอย่างหนักเธอเก่งในด้านกีฬาเป็นอย่างมากเธอสามารถฟันดาบและยิงธนูได้เหมือนกับนัทรบ แต่สองวิชาที่เธอชอบมากที่สุดก็คือดนตรีและบทกวีและเธอก็เก่งในด้านนี้เป็นอย่างมากงดงามมากฮาเซฟ้าบาดพวกเราไม่เคยได้ยินบทเพลงที่ไพเราะเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิตเจ้าหญิงฮาเซฮิเมะมีชื่อเสียงไปทั่วญี่ปุ่นแล้วในบทกวีและดนตรีของนางพ่อภูมิใจในตัวเจ้ามากลูกรักสมกับที่เจ้าเป็นทายาทแห่งฟูจิวาระจริง ฟาบาดมีคนส่งสารจากจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มาที่นี่ให้เขาเข้ามาขอพระไทยเจ้าชายโทโยนาริข้ามาเพื่อบอกข้อเสนอของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของเราข้อเสนอของเขาถือเป็นคำสั่งบอกข้ามาว่าข้าจะทาอะไรให้เขาได้บ้างในฤดูใบไม้ผลิและเทศกาลพระอาทิตย์ฟาบาดของข้าต้องการให้เจ้าหญิงฮาเซฮิเมะเล่นโคโตในการแสดงดนตรีในพระราชวัง และเจ้าหญิงเทโรเตเล่นคลุยร่วมด้วยโปรดไปบอกจั ก, กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเราว่ามันเป็นเกียกรติกับพวกเรายิ่งนักที่ได้เล่นในงานแสดงดนตรีของเขาดังนั้นองค์หญิงฮาเซฮิเมะและเทโรเตจึงไปแสดงในงานดนตรีฮาเซฮิเมะเล่นบทเพลงได้อย่างสง่า ง, งามทั่วทั้งอาณาจักรต่างลุ่มหลงในบทเพลงของเธอทักษะของเธอนั้นมีมากเกินไปสําหรับเทโรเตะเพราะเธอขี้เกียจและไม่ยอมฝึกซ้อม ไม่นานเทรุเตก็ไม่สามารถตามบทเพลงของฮาเซฮิเมะได้จนทำให้ทั้งสองต้องหยุดเล่นลงพร้อมกันแต่ว่าไม่มีใครจะสังเกตเห็นได้เลยพวกเขาต่า ง, ลงหลงไหลไปกับเมโลดี้ของฮาเซฮิเมะหลังจากที่การแสดงดนตรีจบลงจักรพัฒน์ได้บอกให้คนสงสารของเขาไปพูดกับเจ้าหญิงฮาเซฮิเมะเจ้าหญิงฮาเซฮิเมะ จกักรพรรดิปรารถนาที่จะบอกว่าญี่ปุ่นมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้มีคนที่มีพรสวรรค์เช่นท่านอยู่ในดินแดนแห่งนี้เขาอยากให้ท่านมาที่นี่แล้วท่านก็แสดงออกถึงความกระตันยูและมาที่นี่เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความกระตันยูเขาอยากจะมอบอัญมณีล้ำค่ากว่าหมื่นเหรียญจากท้องพระคลังของราชวงศ์ให้กับท่านท่านจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ สมบัติเหล่านั้นมีค่ามากพอแล้วสำหรับข้าเยห้เย่เจ้าหญิงเทรุเตเตไปด้วยความริษยาเพิ่มมากขึ้นเมื่อนางได้ยินจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ยกยอหาเซอิเมตอนนี้แม้แต่เจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดยังไม่คู่ควรกับสถานะของหาเซอิเม่ในตอนนี้เทรุเตทนไม่ไหวกับสิ่งนี้ แต่เธอก็ไม่สามารถทำอะไรกับเจ้าหญิงที่ใจดีและเป็นที่โปรดปรานของทุกคนในอนาณาจักรได้เธอจึงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะโกหกเจ้าชายโทโยนาเร่บอกเจ้าชายกับเรื่องที่ข้าให้จะพูดนะคุณรู้ไหมลูกสาวของเราทำเรื่องอะไรวันนี้คือนางกโกรธข้าที่น้ำในอ่างของนางไม่อุ่นพอนางจึงสาดน้าใส่หน้าข้าเพคะฮ่าา พยายามได้ดีเทอร์เตข้าชอบที่เจ้าพยายามเล่นแผงแผลงแบบนี้กับข้าแต่ข้ารู้ว่าหาเซหิเมะของข้าไม่มีวันทําแบบนั้นวันนี้ฮาเซฮิเมะพยายามแกล้งข้าในตอนที่ข้ากําลังซ้อมเล่นคลุยนางคงไม่ได้รบกวนเจ้าหรอกนะที่รักนางคงแค่อยากจะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องบางจุดให้กับเจ้าไม่มีเรื่องไหน ที่เทรุเตพูดไปแล้วทำให้เจ้าชายโกรฮาเซฮิเมะได้เลยสักครั้งความแค้นของเทรุเตดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนกระทั่งวันหนึง่งเธอไม่สามารถทนมาได้อีกต่อไปคนส่งสารจากจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เข้ามาในขณะที่พวกเขาอยู่ในราชสำนักของเจ้าชายขอพระไทยเจ้าชายทายโยนาริคำขอครั้งนี้ไม่ได้มาจากแค่จักรพรรดิแต่ว่ามาจากอาณาจักรทั้งหมดของญี่ปุ่น มีสิ่งใดให้ข้าทำเพื่อพวกท่านทั้งหมดอย่างนั้นเหรอตอนนี้จักรพรรดิของพวกเรากำลังป่วยหนักเขากังวลว่าอุทกภัยร้ายแรงตอนนี้จะทำให้พืชผลในอาณาจักรของพวกเราเสียหายทั้งหมดพวกเราต้องสวดภาวนาดแด่เทวดาแห่งฟ้าร้องฟ้าผ่าและสายฝนเพื่อขอให้พวกเขาช่วยพื้นดินของพวกเราและนั่นจะทำให้สุขภาพของจักรพรรดิดีขึ้นข้าเข้าใจนะว่าสถานการณ์มันเลวร้ายมาก แต่สวดภาวนาอย่างนั้นเหรอข้าจะช่วยท่านได้อย่างไงเจ้าหญิงฮาเซฮิเมะเป็นนักกวีที่เก่งอย่างมากหากนางช่วยเขียนบทสวดภาวนาแ ด, ด่เทวดาแห่งฟ้าร้องฟ้าผ่าและสายฝนบางทีพวกเขาอาจจะพึงพอใจและช่วยดินแด น, นของพวกเราไว้นั่นคงทำให้สุขภาพของจกักรพรรดิดีขึ้นมาด้วยฮาเซฮิเมะเหรอท่านพ่อเรื่องนี้เป็นคนวามรับผิดชอบยิ่งใหญ่นัก ข้าจะทําให้ดีที่สุดเพื่ออนจาจักรของเราแต่อนจาจักรและเหล่าเทวดาขอเวลาข้าสักหน่อยนะเพคะใช้เวลาได้เท่าที่ท่านต้องการเลยและบอกพวกเราเมื่อท่านพร้อมฮาเซฮิเมคิดว่าเธอจะขอเข้ามาเทวดาที่กำลังพิโรดได้อย่างไรเธอคิดแล้วคิดอกีกจนกระทั่งนึกถึงคําสั่งเสียก่อนที่แม่จะจากไปขึ้นมาฮาเซฮิเม จงเป็นคนที่ชาน์ลาดเคารพผู้อาวโุโสและเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่มีอายุน้อยกว่าอยู่เสมอปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความรักและความเคารพจงขอบคุณทุกสิ่งดีๆในชีวิตและอดทนต่อสิ่งไม่ดีแม้บางครั้งมันจะยากลําบากแต่ลูกอุกลูกไม่รู้หรอกว่าแม้พลังเหล่านี้จะเรียบง่ายแต่พวกมันสามารถช่วยให้ลูกผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้หาเซหิเมตัดสินใจจะใช้ความรักความเคารพ ความกระตัญยูและความอดทนเป็นหัวข้อในบทกวีของเธอเพื่อให้ได้บทสวดที่งดงามเธอเล่นดนตรีไปด้วยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเธอเดินเข้าไปในป่าเพื่อเชื่อมต่อจิตวิ ญ, ญญาณเข้ากับธรรมชาติจากนั้นเธอก็ปล่อยให้หัวใจของเธอกระซิบคำมากมายขึ้นมาในใจไม่นานเธอก็เขียนบทกวีที่งดงามออกมาเพื่อภาวนาแ ด, ด่เทวดาแห่งฟ้าร้องฟ้าผ่าและสายฝนเธอยืนอยู่บนฝั่งของทูสตัป และยกบทกวีของเธอขึ้นไปบนท้องฟ้าเธอสวดบทสวดภาวนาของเธอออกมาด้วยหัวใจทั้งหมดของเธอความรักความเคารพความงดงามความกตันยูและความอดทนทั้งหมดที่เธอมีถูกส่งออกมาเป็นเสียงอธิษฐานและภายในวันเดียวฝนได้หยุดตกลงแม่น้ําสงบลงและน้ําท่วมก็ได้หยุดลงจักระพัดกลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้งฮาเซฮิเมะได้รับเกียรติจากจักระพัดด้วยตัวเขาเอง ข้าขอยกชื่เจ้าหญิงฮาเซอิเมะห่งชินโจเป็นหนึ่งในผู้ที่มีเกียรติและยิ่งใหญ่ที่สุดในจกักรวรรดิของพวกเราเยเยดเจ้าหญิงฮาเซอิเมะนับเป็นเกียรติและยิ่งใหญ่มากสำหรับเจ้าหญิงฮาเซอิเมะ <Yeah. S 2> เมื่อเจ้าหญิงเทรุเตได้ยินเช่นนี้ค oh, <see>, วามอิจฉาทั้งหมดที่เธอมี <Yeah. S 2> ก็ได้ประทุขึ้น ในวันหนึ่งไปก่อนนะที่รักข้าคงไปสักสองสามสัปดาห์กว่าจะกลับมาเจ้ะพัดไม่ไว้วางใจให้คนอื่นทําแทนข้ามั่นใจว่าพวกเจ้าทั้งคู่จะดูแลอาณาจักรให้ข้าอย่างดีตอนที่ข้าไม่อยู่เดินทางปลอดภัยเนยืท่านพ่อดูแลตัวเองด้วยเพคะบายค่ะทียดักเจ้าหญิงเทรุเตมองเห็นโอกาสของเธอแล้วในขณะที่เจ้าชายโทโยนาริไม่อยู่เธอเรียกคนใช้ทากโกดะมาพบ หาซิเมะไปยังภูเขาหิบาริสถีดฟาบาดแต่ภูเขาหิบารินั่นเป็นสถานที่อันตรายที่สุดในอนาณาจักรของเราเลยนะขอรับไม่มีใครอยู่รอดที่นั่นได้นานเกินกว่าหนึ่งวันเลยขอรับนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ฉันจะให้เจ้าพาฮาซิเมะไปที่นั่นยังไงล่ะเจ้ากล้าปฏิเสธเรื่องที่ข้าขอให้เจ้าทําอย่างนั้นเหรอพานางไปที่นั่นแล้วทิ้งนางไว้และอย่าเสนอหน้าของเจ้ามาที่วังแห่งนี้อีกนะขอรับฟาบาด ไม่เชื่อฟังคำสั่งของข้าแล้วก็เจ้าก็รู้นี่ว่าข้าเป็นถึงนายหญิงของเจ้าเฉีวนะข้าจะลงโทษเจ้าให้สาสมที่สุดเลยข้าขอรับฟาบาตรดังนั้นในวันต่อมา้าโกดะจึงพาเจ้าหญิงฮาเซฮิเมะไปยังภูเขาฮิบาริข้าเทดะเจ้าพาข้ามาที่นี่ทำไมเหรอชิโนฮาเซฮิเมะเพราะเจ้าหญิงเทรุเตะสั่งให้ข้าพาท่านมาที่นี่แล้วทิ้งท่านไว แต่ข้าจะไม่ทําแบบนั้นแน่จะไม่ต้องมาตายไปกับข้าหรอกนะกลับไปซะท่าก็รู้ว่าข้าดูแลตัวเองได้ความรักความเคารพความกตัญญูและความอดทนจะทําให้ปฏิหารเกิดขึ้นได้เสมอพวกเขาจะปกป้องข้าที่นี่เช่นกันข้ารู้เจ้าหญิงที่รักถ้าทําให้เทวดาที่พิโรธทรงสงบลงได้ด้วยความนึกซึ้งท่านก็จะทําให้เทวดาแห่งป่าช่วยได้เช่นกันแต่ข้าก็มีหน้าที่ที่ต้องทําเพื่อท่านเช่นกัน ข้าไม่ได้ปฏิเสธแม่เลี้ยงของท่านในตอนที่นางขอให้ข้าทำเช่นนี้เพราะข้ารู้ดีหากข้าไม่ทำนางก็จะคิดแผนการชั่วร้ายอื่นอีกแน่นอนเราจะคิดแผนอยู่ที่นี่และหาทางโจมตีกลับราชินีนั่นไม่นะนางก็แค่อิจฉาข้าเท่านั้นนางเป็นราชินีที่ดีเลยล่ะข้าจะไม่ทำร้ายนางหรอกนะ แต่ถ้าเกิดข้ากลับไปนางอาจจะทำร้ายคนอื่นเพื่อเป็นการทำร้ายข้าก็ได้บางสิ่งมันอาจจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วก็ได้นะถ้าหากฟ้าอยากเลี่ยงให้ข้ากลับไปปกครองจริงๆท่านพ่อจะมาหาข้าจนกว่าจะถึงตอนนั้นข้าขอมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติแห่งนี้แหละคาโทดะสร้างกระท่อมเล็กๆในป่าของภูเขาฮิบาริและเขากับภรรยาของเขาก็อยู่ในที่นั่นกับเจ้าหญิงฮาเซอิเมะในขณะที่เจ้าชายโทโยนาริกลับมา เขาประหลาดใจอย่างมากที่ฮาเซฮิเมะหายตัวไปเขาตามหาเธอจนทั่วทั้งอาณาจักรแต่ก็ไม่พบเลยไม่กี่เดือนผ่านไปในวันหนึ่งเราเสียใจด้วยฝ่าบาทแต่เราหาจนทั่วอาณาจักรแล้วจกกักรพรรดิเองก็ส่งคนออกค้นหาไปทั่วทุกสารทิศแต่พวกเราไม่พบร่องรอยของชินโจฮาเซฮิเมะเลยข้าจะไม่ยอมแพ้หรอกนะลูกสาวของข้าชอบอยู่กับธรรมชาติ ข้าจำได้ดีนางเข้าไปในป่าเพื่อหาแรงบันดาลใจในการสร้างบทกวีแด่เทวดาแห่งฟ้าร้องฟ้าผ่าและสายฝนข้าจะเข้าไปในป่าเลึกที่สุดในดินแดนของพวกเราฟ้าบาดมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่เจ้าหญิงจะมีชีวิตรอดได้หลายเดือนในป่าแบบนั้นนะลูกสาวของข้าสามารถทาให้เทวดาแห่งฟ้าร้องฟ้าผ่าและสายฝนพอใจได้ทาไมนางจะทาให้เทวดาแห่งป่าพอใจไม่ได้แต่ว่าฟ้าบาด ทำไมเจ้าหญิงไม่กลับมาด้วยตัวเองนางคงมีเหตุผลของนางนั่นแหละข้าจะถามนางเองเมื่อข้าพบนางข้าจะเริ่มออกตามหานางเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้เช้าและจะไม่ให้ใครรู้แผนการของข้าขอรับฝ่าบาทดังนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าชายโทโยนาริจึงออกเดินทางไปแม้กระทั่งเจ้าหญิงเทรุเตเองก็ไม่รู้แผนการที่เขาจะเข้าไปในป่าเจ้าชายค้นหาเป็นเวลากว่าหลายสัปดาห์จนเกือบจะสิ้นหวัง แต่เขายังเชื่อว่าฮาเซฮิเมะยังมีชีวิตยอยู่เขาก็ออกตามหาเธอด้วยความหวังหลังจากการค้นหามากกว่าสีสัปดาห์วันหนึง่งเขาได้มาถึงพวกเขาฮิบาริเขาหยุดพักที่แม่น้ำและดื่มน้ำนั่นเสียงอะไรนะมันเหมือนกับจริงๆใช่ไหมฮาเซฮิเมะฮาเซฮิเมะเออท่านพ่อท่านพ่อไปคะอ๋อลูกรักของพ่อ พ่อตามหาเจ้ามาน้นเหลือเกินพ่อโล่งใจเหลือเกินที่ได้เจอเจ้าเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมลูกรักข้าสบายดีท่านพ่อเจ้าหญิงฮาเซฮิเมะและคาโทดะบอกทุกอย่างให้เจ้าชายโทโยนาริฟังว่าเจ้าหญิงเทรุเตะได้ทำอะไรกับฮาเซฮิเมะบ้างเจ้าชายโทโยนาริรู้สึกโกรธอย่างมากหญิงคนนั้นต้องถูกลงโทษนางกล้าอิจฉาริษยาให้กับผู้คนในอาณาจักรที่รักนาง ให้ความเคารพกับนางกตันยูกับนางและอดทนกับนางได้อย่างไงกันเจ้าชายโทโยนาริสั่งให้เนรเทศเทรุเตออกจากญี่ปุ่นและห้ามกลับมาตลอดชีวิตฮาซิฮิเมะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และปกครองญี่ปุ่นด้วยความรักความเคารพความกระตันยูและความอดทน